ขอความสุขความเจริญจะงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายเชิงทำจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้คงเป็นการบรรยายพระไสยบิดกอีกเช่นเคยวันก่อนก็ได้พูดถึงพระคำภีอุทานในขุตตรนิการก็จบวันนี้ก็จะขึ้นพระสูตรมัชฌิมานิกาย แต่เดิมก็ตั้งใจว่าจะไปที่ทีคณิกายแต่ว่าทีคณิกายนั้นเป็นพระสูตรที่ยามากและโดยเฉพาะพ ร, ระสูตรแรกนี่นยากมากมันเป็นระบบปรัชญาที่มีอยู่ในสมัยนั้นถึง62ระบบไปกันแต่ยังมีเรื่องของจุลศีลมาศีลมชิมศีลกสระบพิสดาร สมมติจะเอามาบรรยายจริงๆนะฮะคือพระสูตรหนึ่งเขว่ากันเป็นเดือนเนี่ยคือเวลาเราสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเราจะบรรยายละเอียดผลพระสูตรแต่และพระสูตรนี้จะเจาะลึกแล้วก็ขยายกว้างแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับที่อื่นเช่นธรรมจักรวัตนาสูตรเนี่ย สอนปีหนึ่งไม่จบนะสองปีการศึกษาไม่จบเพราะว่าแต่อธิบายขยายความแต่ละคำเนี่ยมันจะไปได้ยเยอะแต่แต่ว่าการอธิบายออกวิทยุก็คงไม่ต้องพิสดารขนาดนั้น่น่ะเพียงแต่ว่ า, าธรรมะที่ยกมาควรจะอยู่ในพื้นฐานที่คนทั่วไปไปประพฤติปฏิบัติได้ คือไม่ใช่เอาเฉพาะที่รู้อย่างเดียวแต่ว่าให้ปฏิบัติได้อย่างน้อยก็รักษาระดับประสูตรในมัจจิ ม, มริกายเนี่ยมันมีร้อยห้าสิบประสมบำบัดประสรก็ยากเพราะนั้นก็คงจะคัดสรรมาตามเหมาะตามควรแก่นี้ สูตรแรกในมัธยมนิกายเรียกว่าหมละปริยาญาสูตรมียากมากๆก็เรียกว่าอ่านสองรอบแล้วมืนหัวเลยคือมันเกิดมาจากพระท่านไปนั่งคุยกันพระเจ้าไม่เห็นพูดเรื่องอะไรเรื่องเรารู้ๆแล้วทั้งนั้นมีขันห้ามีธาตุสี่อยายณะ1ิบสองอินทรีย์หกอะไรแต่ละกว่าไป พระเจ้าต้องการเนี่ยกำลาบพระเหล่านี้ที่คิดก็อวดดีพูดก็อวดดีเลยทรงแสดงเรื่องเรื่องดินนะดินน้ำลงภัยอากาศโอวิจิตพิสดารมากลึกซึ้งจนว่ามันมีอยู่พระสูตรเดียวนะฮะที่จบลงด้วยคำว่าอน at ัตตมนาเตถิคู่ภิกษุทั้งหลายนี่มืนเลย ไม่เข้าใจบางทั้งที่แต่ก่อนด้าน น, นั้นก็พูดเรื่องง่ายมากพระพุทธเจ้าเอาเรื่องพื้นๆมาพูดเท่านั้นเพราะนั้นเรื่องเรื่องนี้ตอนที่อัตอมาทําไปสูตรมัชฌิ ม, มกายที่จริงก็ทําเป็นเล่มนะฮะตอนนี้ทำมานานเลยแหละกยังยังฝันอยู่นึกจะสรุปย่อประสูตร แล้วก็ทำเป็นเล่มแต่ว่าค่ า, จจาใช้จ่ายมันเยอะแต่วันนีปัญหาหรืว่าถ้าทำไว้แล้วก็ให้กระจายทั่วไปเนียชาวบ้านต้องการศึกษาประสูตรเราก็สรุปเนื้อหาประสูติให้ฟังเนื้อนั้นเต็มตามประสูติแต่ว่าข้อความจะสั้นกว่าวันมูรารย า, ย, ยาสูตรคงคงไม่พูดนะนะเพราะว่ญญายาก เราจะมาเริ่มที่พระสูตรที่สองเรียกว่าสภารสวะสดังมรสุคือพระสูตรที่ว่าด้วยการละอาสวะทั้งปวงอาสวะนี่มันละลดนะจนถึงกระดับอาสวะก็มีอยู่สามประการแล้วแต่นะบางทีก็เรียกสีค่คือสรุปแล้วพอโลกกดลง อย่าไปติดใจเรื่องชื่อไอ้มากอสะวะเป็นสิ่งที่สะสมหมักหมมอยู่ภายในจิตก็คือกลุ่มของทุกสมุทยศัสตร์พูดงานประกลุ่มสมุทยศัสตร์สัพปปกิเลสทั้งมวลที่บางครั้งพูดถึงหนึ่งพันห้าร้อยก็ไม่มีอะไรหรอกแต่กิ่งก้าสาขามายากโรคโกรธโงเท่านั้นแหละเป็นการพูดแบบนับใบไม้มาจากข้างปลายมันก็เยอะ แต่ว่าใบไม้เหล่านั้นเน่ะที่จริงมาจากลำต้นต้นเดียวนะฮะจริงมาหลายจริงแต่ลงมาที่รากแก้วก็มีรากเดียววันธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศลมันมีรากเง้าอยู่ที่วิชาฝ่ายกุศลมันก็มีรากง้าอยู่ที่อวิชวากระส่ายมลโลกมันมีอยู่สองขั้วขั้วมืดกับขั้วสว่างขั้วทุกข์กับขั้วสุข กูเหตุแห่งความเสื่มเหตุแห่งความเจริญนะฮะก็แล้วแต่จะพูดอสวะก็คือการมาสวะอัสวะคือกามคำวาการนั้นก็จําแนกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเรียกวัตถุ ก, กามก็คืออารมณ์โลกทั้งหมดที่ท่านเรียกว่าอายตนะฝ่ายนอกคือรูปเสียงกินริยทุตถุตภะธรรมารมและถามมาตัวเราล่ะตัวเราก็เป็นรูปเสียงกินริยทุตถพตภะธรรมารมของคนอืน่นเราก็เหมือนกันนั่นแหละ เราเห็นว่าในตัวเขาก็มียาตนาทั้งภายในของเขาแล้วก็เป็นยาตนาภายนอกของเราเขามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมารมสำหับคนอื่นแต่เราก็เหมือนกันนะฮะเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เราก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมารมสำหับคนอื่น ตกลงว่าก็คือขันธ์หน้าเองทีนี้เมื่อมันเป็นอาสวะขึ้นมาฝ่ายกิเล ส, สกามไม่ใช่ฝ่ายวัตุกรรมวัตถุการมทั้งหมดก็คือสิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมและนามธรรมา ท, ทั้งหมดที่ใจคนไปกําหนดว่าหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจคือพวกนี้มันไม่เป็นอาสวะโดยตัวมันเอง แต่ว่าเป็นวัตถุกรามคือเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความใคร่คือคนจะใคร่ก็ได้ไม่ใคร่ก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรก็เขาเป็นกลางๆนะฮะก็เป็นกลางๆไม่ใช่ว่าทุกชีวิตจะต้องไปใคร่ไปพอใจไปไม่พอใจไม่ใช่ยังงั้นย่ทีนน่ใจเขาคิดเฉยกิเลสอสัตว์อีกประเภทหนึ่งกามอีกประเภทหนึ่งก็คือกิเลสกรรม ก็นเน้นกิเลสประเภทขวายคว้ า, วาปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นแต่ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็น ก, การต่อไปเป็นภาวะสวะอัศวะคือพบเ็อย่างที่บอกนะครับว่าพบเนี่ยมันก็มีอยู่สองพบพบหนึ่งก็คือเป็นผลที่มาจากการกระทมของคนผูดง่ายว่าผลมาจากอาวิชชา ก็คือบุญบาปแล้วอนเนินชาอนเนินชานั้นก็หมายถึงรูปอารูปประชาน ะ, ะที่เราได้บรรลุแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือพบที่เราไปอุบัติหรือว่าสถานะที่เราเป็นเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นขึ้นภายในใจเนะะี่ยมันก็เป็นพบอย่างหนึ่งรู้สึกว่าตัวเป็นแล้วก็กําหนัดไปเพลินที่จุ่มยูด่ดีอยกับสิ่งที่เราเป็นหรือสาระที่เราเป็น แต่พบที่เราไปอุบัติก็คือการพบรูปรประพบปรูปพบแล้วมาจบที่อวิชชาสวะอวิชชาสวะคืออวิชาอาวิชาเป็นความมืดบอดในด้านเหตุผลสติปัญญาภายในใจของมนุษย์ต่อหมายความว่าถ้าอาวิชายังอยู่เนี่ยยังไงยังไงปัญหามไม่หมดปัญหาจากข้างในนะ คือปัญหาจากข้างนอกที่จริงถ้าเราไม่ไปใส่ใจไม่สนใจมันก็ปล่อยไปตามเรื่องก็ไม่มีอะไรแต่ว่าตามปกติแล้วเราก็อดไปสนใจขึ้นไม่ได้อวิชชาจึงหมายถึงความไม่รู้ไม่รู้ที่สําคัญเนี่ยคือไม่รู้ในอริดัต ท, ทั้งสี่ไม่รู้ในอดีตในอนาคตทั้งอดีตในอนาคตในกฎของปฏิการพวกนี้ก็ครอบคลุมหมดละ แม้แต่ไม่รู้ในอริยสัจสี่ก็ครอบรคลุมความไม่รู้ทั้งหมดไปแล้วเพิ่มในอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตทั้งกฎของปฏิจจการก็ที่จริงก็คือไม่รู้ในอริยสัจสีนะ่นั่นเองในกระบวนการนะฮะในกระบวนการที่เป็นเชิงผลเชิงเหตุของอริยสัจทั้งสี่ที่เป็นเอกสองสยัยคล้องใจส่วนมากก็ในชีวิต เราเคยเกิดมาหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดแต่เราเกิดเราเกิดเป็นอะไรเราเกิดเป็นอย่างไรมีสุขมีทุกข์อย่างไรตายไปแล้วราเกิดอีกหรือไม่ถ้าเกิดจะเกิดที่ไหนจะเกิดยัางไรจะมีรูปร่างหนา้าตาอย่างไงมีสุขมีทุกข์อย่างไงเราก็ตั้งคำถามได้เยอะในปัจจุบันบางทีเราก็งงตัวเราเองเราเป็นใครเรามาจากไหนเราเป็นคนหรือเปล่าอะไรต่อไก็ตั้งคาถามได้ตลอด อวิชชาอีกอย่างหนึ่งก็คือทรงกันข้ามกับวิชาแปดประการนะฮะทรงทางวิชาแปดประการที่เป็นพระวิชายานของพระพุทธเจ้าแล้วก็ในคราวนั้นก็รับสั่งพระเจ้าสเสด็จประทับอยู่ที่พระเชต ว, วันเป็นอารามของอนานตบินิกาเศรษฐีในพระนครสาวัตถี ไล่รพระนครสาวกชีแล้วสั่งเรียกที่สุดทั้งหลายมาแล้วสั่งให้ตั้งใจฝังธรรมะพระองค์ก็จะแสดงพระธถ้าามเทศนาในแนวนี้ท่านเรียกว่าอัตัดฉาศยาเกิดเกิดขึ้นด้วยอัศยาศัยของพระพุทธองค์เองที่มีพระประสงค์จะแสดงธรรมะเหล่านั้น และรับสั่งว่าที่สุดทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอสวะของผู้รู้เห็นไม่กล่าวความสิ้นอสวะของผู้ไม่รู้ไม่เห็นรู้เห็นอย่างไรความสิ้นอสวะจึงมีได้ก็ตั้งปัญหาเขาเรียกว่ากตัตเถตุกามยตาปุชาี๋ยวตั้งปัญหาเพื่อจะตอบเอง แต่ว่าเป็นการกระตุ้นจิตของคนให้หันมาส น, สนใจในคำตอบวันเราจะเห็นว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยอสะวะเนี่ยมันตรงกันข้ามกับวิชาและอสะวรรทั้งสามที่จริงมันก็มาจากอวิชชาเพราะถ้าตัวความรู้ไม่เกิดเนี่ยตัววิชามันไม่ไดับ เวลาแสดงถึงการบรรลุมรผลของพระหันและจึงบอกว่าอาสวหิจิตานิบิณจิงสูติจิต ด, ดุดพนจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นหน อ, อุปาทานหมายความมารู้เนี่ยก็ทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าคำว่ารู้ในความหมายของพระพุทธศาสนามันไม่ได้หมายถึงความรู้ในลักษณะที่การเรียนรู้ คือคมวิชาก็ดีวิทยาก็ดีเนี่ยเราเอามาจากบาลีกับสันสกฤตแต่ทัศนฐานมาตรงกันไหมมันก็ไม่เชิงตรงเพราะถ้าแนวที่เราเราเรียนเนี่ยน่าจะเรียกว่าภาูษัจจะมากกว่าหรือภูุสูตรมากกว่าเพราะว่าภาูุสูตรนั้นมันเน้นที่การเรียนรู้ เน้นที่การมีประสบการณ์เน้นที่การจําเน้นที่การแม่นจาเน้นที่การนำมาคิดจนถึงกับวิเคราะห์วิจัยจนถึงวิเคราะห์วิจัยแล้วอาจจะสังเคราะห์อะไรหายไปได้จนถึงเกิดเป็นความเข้าใจนะทราบซึ่งในวิชาการเหล่ากันเพราะฉนั้นตรงนี้พระเจ้าจะไม่แสดงเดียวหรือไม่ได้ว่ามาเดียเด่ยวๆมันจะมีองค์ประกอบอย่างอื่นเข้าไป แต่เช่นโมคลสูตรเนี่ยระเหนว่าชุดเนี่ยชุดที่มีภูสัจจะเนี่ยถึงสแสดงมาทั้งสีข่ข้อบุสัจจันจะสิกปัญจวิเนโยจัสุสิกิโตสุภาสิตาเจยาวาจาเอตัมมังกลมุตตะมังเพราะอะไรเพราะวิชาการเรียนรู้นี่เดียวไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าควบคุมทิศทางการใช้ความรู้ไม่ได้ เลยจะมีปัญหาอัจฉรกรรมปัญหาศีลธรรมติดตามมานะคนที่ผิดยาบ้าจําหน่ายยาบ้าหรือว่าพวกอัออาจฉริกรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะไปเส่าเขาไม่รู้ไม่ได้นะเนี่ยเขาก็รู้แต่ความรู้ของเขาเนี่ยมันไม่ได้ลดละความชั่ว ผลภาคของความรู้เนี่ยผู้จ่าก็ใช้คาําสองคมคือภูษะกับศิลปะหมายความว่าศึกษาเรียนรู้มามากแล้วก็มีศิลปะศิลปะในการนําความรู้เนี่ยไปสู่กระบวนการคิดแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วก็พลิกแพลงป ร, ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแต่นี่เนี่ยว่าจะอทำดีหรือไม่ไดี เหจาว่าเอาตรเนี้ไม่รู้ว่าทำดีหรือไม่ดีตอนนั้นจึงย้ำไปอีกทีหนึ่งแม้เราชำนาญการจะพราะทางแต่ละเรื่องเราพูดถึงการคอรัปชันโกงกินของคนรวยๆนั่งรถเบน์อย่างดีสวมชุดสูทแต่ว่าโกงจังยังนึกว่าคนเหล่านี้เขาไม่คิดว่าตายแล้วต้องเกิด คือถ้าเขายังแกงตรงนี้แล้วเขาเขาจะไม่เคยคำนึ่งนะฮะแต่ถ้าเราทบทวนดูเพียงแต่ว่าก็ไม่อยากจะท้ำเติมคนเน่ยนะฮะคือคนที่ทำบาปรกรรมในลักษณะนี้ช่อราดบังหลวงหลอกลวงประชาชนในลักษณะนี้ที่ตายดีเนะี่ยมีน้อยนะส่วมากแล้วก็ประสบความิบัติตอนแก่ หายไปจากกระแสสังคมอารู้ทีงตายแล้วปรากฏอราไปนอามาพลิกไปนอามาพาดเป็นปัมป๊มปัมเป๋เป๋เป็นหลงลืมเป็นอะไรไปหลาเยอะเละคนเขาไม่ค่อยได้คิดในเรื่องเหล่านี้ทีนี้ทํายังไงว่ากํากับพวกนี้ได้ผู้เจ้าจึงใช้คําวิญญาณจะสุสิกิตโตในวิในที่ศึกษาสําเนกดีแล้ว ตัวนี้ก็คือความรู้ดีความคิดดีความสามารถดีความประพฤติดีเห็นี้พิสูจน์ได้ยังไงอ่ะถ้าเธอมีวินัยนตัวเองเอาเอาปฏิสัมพันธ์คนอื่นเป็นสุภาษิตาอยากวาจาดูที่ปฏิสัมพันธ์คนอื่นเป็นยังไงพูดเท็จไหมพูดส่อเสียดไหมพูดเพ้อเจ้อไหมพูดคำหยาบไหมถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเธอไม่มีวินัยในตัวเอง แต่เราก็พิเศษตัวความรู้กับความฉลาดในศิละปะเขาไม่ได้นะฮะและเสร็จได้ในมุมของศีลธรรมาการศึกษาคำว่ารู้ในของพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออวิชชาต้องลดด้วยพูดว่าสางของมืดต้องลดด้วยมันไม่ใช่พูดว่าสว่างแต่ยังมืดตืต้ออยู่เนี่ยมันไม่ใช่หรอก ตรงนี้เราไม่ค่อยมองว่าวิชาการที่เราสอนกันเรียนเนี่ยมันสอนให้โลภนะฮะสอนให้โลภสอนให้โกรธสอนให้เบียดเบียนกันชิงการนําชิงความร่ารวยเกิวันก่อนเด็กไปหาหนังสือที่ท่านนายกแนะนำไม่อ่านร้อยเก้าเล่มก็อ่านไปสองสามเล่มก็รู้สึกมันกระตุ้นในคนโลภนะ วิ่งไล่ความอยากกันอุตลุดโดยแสงพยายามแสงให้ได้นะฮะแถ้าเราเข้าใจว่าความเจริญดังนั้นวัตถุถ้าไม่สัมพันธ์กับจิตจิตไม่เจริญตามไปเลยด้วยมันก็เหมือนกับเด็กอนาะยุกายกับอา ย, ยุจิตยัไม่สัมพันธ์กันอนะ่ะมันปัญญาอ่อนนะะอายุกายกับอา ย, ยุจิตไม่สัมพันธ์กัน อย่างนยต้องสําัญการเด็กเธออายุยี่สิบจิตต้องเธอยี่สิบจิตเธอห้าสิบดิงดก็ไม่ได้ว่าอะไรยิงยิงยิ่งมากยิ่งเป็นอัธรยาแต่ถ้าเธออายุยี่สิบไจิตเธอแปดขวบอย่างนี้ไม่ไหวปัญญาอ่อนบางทีก็สามขวบเลยนี่คือสิ่งที่ที่สังคมไม่ได้คิดเรา ก, ก็น่าเสียดายเสียดายว่า เราครอบครองมาพุทธศาสนาอยู่ตั้งสองพันสองร้อยกว่าปีปู่ย่าตายายครอบครองสืบสานกันมาเจ้าได้ประโยชน์น้อยนิดเฉยๆมันน่าจะได้มากกว่านั้นเพราะอะไรเพื่อกันเราไม่ได้สร้างตัวรู้ขึ้นมาตัวความรู้เนี่ยเราไม่ได้สร้างแต่เราสร้างศิลปะสร้างภพสูตรขึ้นมา โปรดเตอร์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้หมายความถือเป็นคนดีด้วยนะเราไปเสรความรู้ความชํชนานิชานาญเถอะไม่ได้แต่เราไปรับรองความดีเธอไม่ได้เธอต้องรับรองเองหลังการหมดไปก็อธิษฐาะจึงเน้นไปที่ความรู้ว่าผู้รู้เห็นนะสนใจก็มารู้เห็นคือรู้ก็เห็นในบางทีก็ใช้ติดกันอะ่ะ ค่อนข้างสูงตรงนี้ที่จริงใช้ระดับญาณทัศะนะญาณก็คือรู้ทัศนะก็คือเห็นแต่เป็นการเห็นด้วยตาในไม่ใช่ตาเนื้อนะ่ะเห็นด้วยตาในแต่แนนอนเราก็อาศัยตาเนื้อด้วยแหละถ้าไม่มีตาเนื้อเราก็เห็นไม่ได้แต่การต่อไปก็รับสั่งว่ารู้็มอย่างไรความสิอัตธว่าจึงมีได้ เขาสั่งว่ารู้เห็นโดยโยนิสโสมานสิกาคือการทําไว้ในใจด้วยอุบายวิธีที่แยกข่ายโยนิโยนิสโสมานสิกาเนี่ยเป็นปัญญานะครเป็นปัญญาเราจะเห็นว่ามันเอาโยนิกับมานสิกาเนี่ยมาต่อกันมานสิกาแปลว่าใส่ใจสนใจ อยู่นี่ในที่นี้เน้นไปที่ตัวปัญญาเน้นไปที่ตัวกำเนิดของปัญญาก็หมายความว่ามีหลักการวิธีการในการคิดโดยบายวิธีต่างๆที่ต้องหาบทสรุปในเรื่องเหล่านั้นให้ได้ซึ่งปริยายตัวเนี้ยบางครั้งสงสัยคําว่าประโยชน์ทีนเกิดขึ้นในที่ใดๆโดยวิธีใดๆ ให้บุคคลใช้ความพยายามในที่นั้นๆโดยวิธีนั้นๆวิธีที่ใหเกิดประโยชน์อ่ะให้ใช้ความพยายามพเพราะนี่นายโยนิโสในการตรงนี้จะสรงอธิบายแปลคือหมายความว่าไม่สาคัญี่สิ่งนั้นเป็นอะไรแต่สาคัญเราคิดยังไง ต้องลรงสังเกตนะฮะลองสังเก ต, เก ต, เกตว่ามีคนที่เขาบรรลุมรรคผลโดยการเห็นทุกขสัตว์เนี่ยคือความแก่ความเจ็บความตายที่ปรากฏให้คนเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายเวลารูปกรรมาฐานนะแลวมีคนได้บรรลุมรรคผลเยอะอย่างว่าพระบางรูปหลงไหลคลั่งคล้ายนางสิริมา ที่นั่นแล้วเคลาฟังโยนขนาดว่าคิดจะศึกไปเพื่ออยู่ร่วมขออยู่ร่วมกวับนางศริมาเนี่ยเธอคิดยังไงเธอท่ายังไม่รู้เลยไม่ได้คิดคิดเราเองหมดเลยนะปุงแต่งสร้างโลกในจินตนาการขึ้นมาพระเจ้าต้องใช้วิธีเอาซากศพของนางศิริมาเนี่ยมาสอนมาสอนพระสอนชาวบ้านตลอดถึงข้าราช ก, การ ต, ต่างๆเนี่ยมาประชุมกันะเรียนรู้จาก จากสุขพระสุขมันก็ทุกข์สัตว์ึงบางครั้งบางคราวเนี่ยคนก็เห็นโทษของการทำอะไรไปตามนาาของกิเล็กอย่างประจิตตาหัตกะที่เที่ยวทเที่ยวบวรเที่ยวึกอยู่ตั้งเจ็ดั้งเจ็ดาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสมทุทัยสัตต่อาศัยทุกข์สัตว์แล้วก็ยึดติด ในตั้งกายของพันยาตัวเองพอท่านเกิดรู้ขึ้นเนี่ยรู้ความจริงขึ้นท่านก็สลัดหลุดได้นะบางทีเห็นท่านกี่เข้าถึงนิโรธสตรัตว์อันนี้เยอะมากนะฮะแนวริพระเจ้าสมงยกย่องเป็นเอตตะคะหรือว่าแนวประวัติของรัฐพระอย่างที่กล่าวไว้ในวันก่อนโน้น มันสร้างแรงผลักดันให้คนเนี่ยก็ตื่นร้รนที่จะบรรลุผลอย่างที่ท่านได้บรรลุแต่มรรสสัต์นั้นเป็นเรื่องแน่นอนก็แสดงว่าคนสามารถใช้ระบบการคิดที่เป็นโยนิสุนรรณติการ์อะไรก็ได้วันนั้เราคิดยังไงคนนี้คิดได้เกิดกิเลสก็ได้คิดจะเกิดธรรมากก็ได้มันอยู่ที่วิธีคิดและการคิดของบุคคลเหล่านั้น ในที่นี้หมายความว่าอะไรก็ได้ที่เราคิดโดยอุบายวิธีที่ถูกต้องชอบควกรกัเหตุเกิบผลเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็ดับมาวิชาได้อีกเร่นึงเป็นนโยในสูงนักธิการเพราะี้เกณฑ์กำหนดเนี่ยคือการทำไว้ในใจด้วยไปวิธีที่ไม่แยบขาย มันเราก็เลยเลยก็กลายเป็นสูตรว่าการมองอะไรด้วยหลักของโยนิสูบรรธิการพ้นจากการมองในกิเลสที่ยังไม่เกิดไม่เกิดที่เกิดแล้วจะลดลงไปจางหายลงไปก็อยศีว่าถูกต้องพอโยนิสูนักิการก็เหมือนกันคือไม่ใส่ใจ ไม่ใส่ใจที่เรื่องในเรื่องที่ควรแก่การไม่ใส่ใจเกิดถ้าใส่ใจไปแล้วกิเลสเกิดก็ไม่ใส่ใจเ่ราะโดยเจนเราใส่ใจก็ได้ไม่ใส่ใจก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นทางไปถูนิพพานด้วยกันทั้งสองฝ่ายจนถึงสูงขึ้นไปเนี่ยอย่างแนวเบคาเนี่ยโดยเจนว่าถึงจุดหนึ่งมันเป็นสังขารุเบคา อยู่กลานิพพานนะฮะไปเป็นสังกะโรเพตคาเป็นการวางเฉยในสัตว์และในสังขารทั้งหลายไม่เกิดความยินดียินร้ายก็คือไม่ใส่ใจไอ้ตัว น, นี้ธรรมะก็เกิดขึ้นได้เป็นวิธีการที่สะท้อนได้เห็นว่าประการสาคัญอยู่ที่อุทีิภาวะคือปัญญาของคน ุมีปัญญามากพอต่อการวิจัยอารมณ์ที่ผ่านมาทางภาษาสัมผัสได้หรือไม่เรามีปัญญามากพอเราก็สามารถหาประโยชน์ได้ทั้งโดยวิธีโยนิสมนในการแล้วก็ไม่โยนิสมุนพนักการถ้าในกรณีที่เมื่อยโยนิโสพนธกการไปแล้วกิเลสยังไม่เกิดมันจะเกิดกิเลสที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นก็ไม่ใส่ใจมันก็จบ หรือบางทีเราก็ตัดตัดกระแสของการใส่ใจในเรื่องที่ไม่ควรใส่ใจนะเช่นอะไรล่ะเช่นข้อที่ 6, หกวนเว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิการข้อที่เจ็ดข้อที่แปดข้อที่เจ็ดเนี่ยทำเองนะเล่นดนตรีเองร้องประคองดนตรีดีซีดีเป่าดีเป่าดูาลแลดูการเล่นต่าง เป็นค่าสึกสกับโภพิจารณ์พอโยนโศมาในกาลพอใส่ใจก็กิเลสไหมที่ยังไม่เกิดมันเกิดน่ะที่เกิดกิดเลสที่เกิดแล้วมันเพิ่มขูนขึ้นแต่ว่ากลัวใจตนเองก็ตัดเลยคือคือไม่ดูมันเลยไม่ไม่แสดงมันเลยมาลาจันทะ น, นั้นก็ประดับประดาตกแต่งร่างกายเรือเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องกรอเมืองธาต่างๆซึ่งตนเองก็ได้คนอื่นก็ได้ ก็รบเป็นเฉนอนมาที่นอนสูงใหญ่ก็เหมือนกันนะฮะเราจะเห็นว่ามันก่อให้เกิดโยนิโสมันได้การในทางที่เพิ่มกิเลสผลดีที่สุดก็คือว่าไม่นอนมันนอนสบายๆนอนที่พื้นผ้าปูนะฮะนอนผ้าปูก่อนนอนที่พื้นนะี่ที่จริงก็สบายนั่นก็คือเป็นวิธีการ วิธการในการปฏิบัติจึงรับสั่งบ้าเมื่อบุคคลทำไว้ในใจด้วยบายอันไม่แยบคายอันสะวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดแล้วย่อมเจริญมากขึ้นแต่เมื่อบุคคลทำไว้ในใจด้วยบาแยบคายอันสะวะที่ยังไม่เกิดก็มไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็สามารถละได้เห็นไหมว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่ท ที่การเกิดกับการลดของกิเลสเนี่ยเป็นการประการสาคัญหรือถ้ากิเลสมาเพิ่มเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ใช้อยู่ในสมนัติการทีนี้ในบางบางเรื่องเนี่ยเพื่อป้องกันตัดไฟแต่ต้นลมก็ไม่ใส่ใจมันไม่ใส่ใจมันก็จบที่นคนดา่าคนนินทาเนี่ยเราตัวเองเข้าไปดับมันก็รู้สึกเดือดร้อนเะขาด่าเรา เราเอาตัวเองเขาไปรับก็อยากด่าก็ดาก่าเราปล่อยเข้าไปเราพูดแต่ย่าังถูกดาก่าเลยนับภาษาอะไรกับเราจะไปถูกดาก่าล้วก็ปล่อยเข้าไปอยากด่าก็ด่าไปทาใจรอยสบายทีนี้ก็สุงย่อยนะฮะสุญย่อยมาเป็นเจ็ดวิธีด้วยกัน ใช้คำว่าอาสวะลักษณปะปหาตบะอาสวะที่ปรุงละได้ด้วยทัศนะคือการเห็นในกรณีนี้มันก็อยู่ที่คนนั้นได้รับการศึกษาฝึกบืรอบรมมาหรือไม่ท่านใช้คำว่าคือคนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นไม่เฉลาดไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระเรีย์เจ้า ไม่ได้เห็นไม่ได้ฉลาดไม่รับการแนะนำในธรรมของสัตว์บุรุษไม่รู้จักทำที่ควรทำไว้ในใจหรือไม่ควรทำไว้ในใจเป็นเช่นนี้เขาย่อมใส่ใจในธรรมที่ไม่ควรใส่ใจไม่ใส่ใจในธรรมที่ควรใส่ใจแต่อย่างนี้แน่นอนเพราะนันเปนปัญหาใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้จะจะจะมีบ่อยนะผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นไม่ได้ฉลาดไม่รับการแนะนาในธรรมของพระรีเจ้า มันเป็นการปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาวุฒิภาวะในด้านต่างๆอยู่ภายในใจของเราเป็น แ, แน่นอนแหละการเทศการสอนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำยากแลยโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือสังคมเราเนี่ยไปสร้างากฎเกณฑ์กั้นข่ายขึ้นมาพระจะเทศก็ต้องพรห ม, มาจะโลกา แต่ไม่พรมาพระก็ไม่มีสิทธิ์เทศไอ้ที่บางแห่งก็ต้องบาด้วนไปให้คนบูชากันที่กองแกง้งกองแก่งกองเก่งพระก็อายมึงขอทานนะนะหรือมาขายธรรมะของพระพุทธเจา้าวันก่อ น, นยังนึกถึงหนังสือธรรมะเนี่ยเขาเผยแพร่ในท้องตลาดเนี่ย ไปอ่านรู้โอสงวนลิขิตทุกตัวอัรเกินไปนะฮะพอรธรรมะของพระพุทธเจ้าไปสงวนลิขิยังไงก็ท่านก็ลอกมาจากพระไตรปิฎกออกไปสงวนลิสิตยัยง ไ, ไ ง, ง ไ, ไม่ใช่ของเราอะ่ะเาหนังหนังสือธรรมะต้องไม่สงวนลิขิตถ้าสงวนลิขิตเนี่ยมันซ้ำซ้อนนะธรรมะนะั้นไม่ใช่ของเราธรรมะเป็นของชาวโลก รปเจ้าเป็นเจ้าของแห่งธรรมพระองค์ยังไม่สงวนเลกสิทธิ์แล้วเราไม่ ม, มีสิทธิ์อะไรมาสงวนเลยกสิทธิ์อย่างที่ยังเห็นเจอหนังสืออาจารย์กรรมาฐานนะลูกสิษย์เขาเขียนคิดได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะเราก็ไม่รู้แต่ว่าเอ๊ะทําไมไปใช้ข้อความอย่างไงอัตอมาก็มีหนังสือเยอะไม่เคยสงวนเิยกสิทธิ์แล้วก็คนเดียวไปพิมพ์ไม่ต้องขออนุญาตไม่ใช่ของเราอ่ะสมบัติของพระาศาสนา ถ้าผิดเนี่ยเราก็ต้องรับรับผิดชอบคือถ้าพูดผิดเขียนผิดไปเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเจอสิ่อยู่ต้องดี ง, งามไปเรื่องของพระเนจะ้าเท่านั้นเราไม่ได้เกี่ยวพอเมื่อเชาพุทธเขต้องการอะไรจะเอาไปพิมพ์อะไรก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ต้องบอกด้วยบางทีเขาก็บอกเพื่อให้เราจะเขียนคํานำให้ก็ไม่บ่าอะไรเพราะเราจะเห็นว่าถ้าเราได้ศึกษาได้สดับ แล้วก็มีความฉลาดมันจะมองอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวยกตัวอย่างว่าโลกกระทำเนี่ยโลกกระทำจะมันเกิดลาภเยอะส่สนสุดมันอีกขั้นหนึ่งก็คือเสื่อมลาภเสื่อมยศุกนิทกนทาประสบความทุกข์อย่างไนอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเกิดแน่นอนทุกวันด้วยนะฮะก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันมากับ พอไปเสื่อไปประสบ ก, กับการเสรื่อมลาบเสื่อมยศถูกดินทาประสบความทุกข์แล้ไปเศร้าโศกเสียใจมันได้อะไรอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดานะ่สิ่งทั้งหลายมีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเพราะการทักทาสูญเสียเป็นนิรันต์การเสรื่อมลาบเสื่อมยศถูกดินทาประสบความทุกข์เป็นนิรันต์การได้ลาบได้ยศได้ สันเซิลได้รับความสุขก็เป็นดีดันแต่มันก็เปลี่ยนแปลงเห็นเป็นไม่ต้องเหตุปัจจัยเพราตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผู้จารับสั่งว่าผู้ทูตชวนผู้ไม่สดับธรรมของพริยะไม่ได้เห็นธรรมของภระิยะไม่ฉลาดในธรรมของพระิยะไม่รับการแนะนำในธรรมของพร ะ, ะเจ้านะครับก็ไม่ได้เตลียนใจเอาไว้ว่า สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแก่เราแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรนนรดมาดาผลจนจะฟูตอนมันเกิดเนี่ยเกิดฝ่ายดีนะฮะแล้วเจมจะแฟบตอนที่ประสบกับฝ่ายไม่ดีครับแล้วก็เป็นงานน้ำดื่นตัวเองเนี่ยของก็เสียแล้วก็ใจก็เสียด้วยตัวที่เสียจะพาะของสมมติสมสมติว่าจว่าพระองค์หนึ่งถูกถอดสมนักศักดิ์ ถอดแคเราก็ไม่ เ, เป็นอะไรมันตัง้งแต่ต้นคือของเหล่านี้มันของต้องถอดอยู่แล้วอะนะฮะตอนเราตายเนี่ยเราก็ต้องออกแล้วเราก็ไม่ได้เป็นแล้วนะบางทียังมองอยู่ว่าพัดพระบางพัดเนี่ยตอนจะมาเป็นชั้นรา จ, จะทํานิเทศก็ น, นานๆได้ใช้พัดนะฮะ ใช่ใช่พัตติทีหนึ่งพอจับแล้วเราก็นึกโอโห่นี่เจ้าของก็ตายเยอะเลเนี่ยมันเก่าเหลือเกินเนี่ยพัดธดำงาเขาบอกเก่าโบราณมากแต่วันนึกเอ้ยเจ้าของก็ตายมาเยอะแล้วเราก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายเพราะเราเห็นว่ามามันก็ก็ดีเกิดใช้ประโยชน์ไม่มาก็ดี เพราะในที่มาทั้งไม่มาเนี่ยเราก็ไม่มีอยู่นั่นแหละยิ่งแต่ว่าในบางกรณีอย่างในแง่ของสังคมเนี่ยเพื่อเห็นว่าอย่างเงื่อนไขของคตสู์ไปสร้างเงื่อนไขเอาสมรศักดิ์ไปผูกโยงกับงานรับผิดชอบในศาสนาสมรศักด์ไม่ถึงก็เป็นไม่ได้คนมีความรู้ความสามารถยังไงก็ตามไม่มีพวกไม่มีพ้องไม่มี ญาติพี่น้องสนับสนุนก็จะเจริญเติบโไม่ได้ก็ศาสนาก็สูญเสียโอกาสที่จะได้จากคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็แก่ทุกวันไม่เดี๋ยวก็ตายเขาเกิดมาให้ศาสนาใช้ศาสนาไม่ใช่เสร็จแล้วเขาก็ต้องแก่เมื่แก่แล้วก็ตายหรือพระบางรูปนี่นะสงสารนะเครียกว่าหายใจทิ้งมาเป็นวันๆจริงๆหลยไม่มีงานมีการอะไรที่คณะสงฆ์จัดให้ทํา แล้วมันเป็นคนมองอีกเรื่องนึงคือไม่สนใจเลยเราถือว่าตําแหน่งของเราเนี่ยเราได้จากพิธีบวชนาเลยมีหน้าที่ศึกษามีหน้าที่ปฏิบัติมีหน้าที่สัมผัสผลถ้าตุเราสัมผัสได้นะฮะแล้วมีหน้าที่เผยแผ่ให้การศึกษาอบรมคนอื่นแล้วก็ดูแลพระศาสนานี่เราถือว่าเป็เจ้าผู้เจ้าตั้งเราได้มาจากมนฑลพิธีอุปสมบทมันเหมือนกับไอ การได้อะไรมาจากโดยกำเนิดเนี่ยเราจะเห็นว่าได้ปูญ่ญาติยายลุงป้านาอาวงศสาคณายาความเป็นประชากรไทยความเป็นศาสนาความเป็นประสบนิกรของแผน่นดินมันได้มาจากการเกิดอ่ะไม่จำเป็นจะต้องแตกเราปฏิบัติภารกิจเหล่านี้ด้วยจิตสมนุติหรือความรับผิดชอบมันก็ไปได้แล้วนั้นเราจะเห็นว่าในก ร, นกรณีเหล่านี้มันก็อยู่ที่รู้หรือไม่รู้ถ้าเราไม่รู้ปัญหาก็เกิด ถ้าเรารู้ปัญหาเราก็ดักอย่างอย่างเนี้ยสมมติว่าเราไปไปเจอของที่ก็วางทิ้งไว้ทั้งทั้งที่เรารู้ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแตะต้องไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปิดดูนะะไม่มีสิทธิ์ที่จะหยิบชวยเอา แต่ก็มีคนเปน็นมากไม่ยอมรับกฎความจริงเหล่งนี้เผื่อถือว่าเป็นราบรอยที่ตัวเองมีสิทธิที่จะหยิบช่วยเอาตามความพอใจเพนั้นขาดหลักของโยนิโสมนิยการพรอขาดหลักไอากามาสวาคือคือคื อ, ค อ, ค อ, คอต้องต้องเข้าใจวันในที่นี้ส่งเน้นไปที่อาสะวะอ า, าบวะจึงเป็นชื่อตัวแทนของสัพพกิเลสที่มีชื่ออย่างอื่นด้วยนะะ แล้วก็แม้แต่ในความเป็นอาสวะเองก็เถอะมันก็ครูหมดแล้วเหมือนกันกระรัสั่งว่าเขาใส่ใจทำที่ไม่ควรใส่ใจชนิดไหนคือทําอะไรก็ตามที่เมื่อเขาใส่ใจแล้วอาสวะทั้งสามประการคือกรมอาสวะอาสวะคือกรรมในที่นี้เน้นไปที่ตัวกิเลส น, นะฮรแล้วก็ภว อ, อาสวะ กิเลสที่เป็นเครื่องหมักลองสันดานคือความยินดีในพบหรือว่าความผิดใจในสมาธิตลอดถึงในฌานในรู้สึกตัวเป็นน่ะรู้สึกตัวเป็นหรือคลึ่นก็ความเป็นของตัวเองคลื่นก็ความเป็นของตัวเองโดยไม่รู้ว่าที่จริงเขาสมมุติขึ้นมาเฉยๆเราไม่เป็นจริงอ่ะคือแกจะตายใ่จริงอะคือแกตายในจริง แต่ว่าการเป็นต่างจริงๆ จ, จริงอ่ะสมมุตรริเราจะเสียดังนั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันในความจริงวิชาสวาสวาสวาคือวิชาอันนี้ก็เน้นไปที่ตัวกิเลสเ น, นะตัวหมักดองก็ไม่รู้ที่อยู่ภายในใจเนะี่ยทั้งหมดที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเนี่ยก็จะเจริญมากจริงๆนในสันดานของคนแสดงว่าการมองอย่างนั้นการคิดอย่างนั้น จากประสาทสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกดิ้นทางกายทางใจก็ตามนักขัตตดดว์ความรู้เข้ากำกับในการวิเคราะห์ในการตัดสินหรือในการวินิจฉัยเรื่องเหล่านั้นยิ่งสัง ค, คมยุคข้อมูลข่าวสารสื่อสารโทรค ม, มนาคมสารสนเทศจนถึงกับโรกไร้ผมแดนในโอกาสต่อไปเนี่ยนะ หลักโยนิสงนิติการมันจําเป็นมากๆแล้วเราก็ไม่เคยฝึกใช้ไม่ค่อยมีความคิดเป็นระบบอย่างที่บอกบางครั้งบางคราวเราก็ตัดสินใจความคิดจะอินเทอร์เนต็ตจะติดต่อจากสื่อสารกันคนบอกให้ทําทอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเราก็ทําแล้วนั้นก็เสี่ยงไงเพราะว่าถ้าเราไปเจอคนไม่ดีเข้าเนี่ยเราก็เป็นอันตราย ัลละกลางทั้งคันจึงดูที่ว่าการใส่ใจยังไงก็ได้หรือแม้แต่การไม่ใส่ใจนะหมายความมาถ้ากิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดมันไม่เกิดนะกิเลส ท, ที่เกิดแล้วเสื่อมไปก็ใส่ใจหรือไม่ใส่ใจทีนี้การใส่ใจก็เหมือนกันนะถ้าธรรมะที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้ น, นที่เกิดแล้วจะเป็นบุรมาคกิดก็ใส่ใจ แต่ถ้าเกิดใส่ใจแล้วกิเลยังไม่เกิดมันเกิดกิเลสที่เ ก, เกิดแล้วพลุพล่นขึ้นเกาะไม่ใส่ใจวันเราจะเห็นว่าตรงนี้ทรงสอนในรูปของการใช้ทั้งตัวโยนิโสมณิการและอโยุนิโสมนิการว่าเป็นเอได้เกิดความรู้ยิ่งความรู้รจริงความดับต่างๆได้ในระดับนึ่เพราะแนวพระสูตรตรงนี้เป็นพระสูตรอย่างที่บอกไว้แล้วมยาว ข้อความยาวแต่ว่าจริงๆแนละ้วพะสูตรก็คือก็คือพะสูตรอนะฮะเอาพะสูตรใดมาพูดก็ได้ก็ข้อความก็เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันเลยกันช่วยเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นภายในจิตใจของผู้ฟังเผยให้ความสุขความสงบความเยือกเย็นที่เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายผู้ฟังทั้งหลาย เพีงทาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงตอนนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไยบูรณ์ในธรรมทังมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายดูทกกันสวัสดี